การปฏิบัติธรรมทุกคนให้ตั้งหน้าเพื่อปฏิบัติใน ม, มีอะไรที่จะมาทำเราให้ล้มให้เชียมากป่ปเราทำตัวของเราเองเรื่องคนอื่นภายนอกเป็นของพอที่จะหลีเพียงได้ เรื่องของตัวเองอยู่เรียงยากก็อยู่กับตัวการปพฤติธรรมะโดยส่วนใหญ่ของตัวเองที่จะล้มตัวของตัวมันให้ดีให้วิเศษได้เนื่องจากเรื่องกิเลสภายในมันเกี่ยวข้องล่อรวง ให้เราลุ่มหลงเพิดเพลินเห็นว่ากาปรธปฏิบัติไม่เป็นของจำเป็นไม่เป็นของสำคัญไม่ตั้งหยิบตั้งใจปฏิบัติเอาใจใส่จริงจังเมื่อวันนี้ไม่เป็นวันหน้าไม่เป็นเดือนนี้ไม่เป็นปีนี้ไม่เป็น ก็หมดปีหมดเดือนเลื่อยไปผลที่สุดความเป็นไปทางใจก็เลยไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สะดวกสบายสำหรับตัวเองเมื่อไม่เป็นไม่เห็นในการประพฤติปฏิบัติก็ไปกล่าวตูดูหมิน่นเรื่องศาสนาว่าไม่มีมรรคมีผลหรือนอกจากนั้นก็กล่าวสูตัวเองว่ายัง ไม่มีบุญวาสนาเย่ยงพอมีเป็นความชิดความเห็นทําให้คะแนนตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เชื่อไม่ยินดีไม่เต็มใจในการจะประพฏิบัติต่อไปผลที่สุดจิตใจก็เร่ร่อนวิ่งวุ่นไปสู่อารมณ์ภายนอกเห็นผู้คน การงานด้านอื่นถึงเป็นของสี่พระพุทธเจ้าละทิ่งหรือว่าสิ่งนั้นเป็นของดีของวิเศษอ ย, ยากได้เกิดเพลินเป็นใจในการจัดการทำถึงจะยากลำบากวุ่นวายขนาดไหนจใจชอบใจยินดี ก็ถือว่าง่ายหรือว่าสบายนี่เป็นเรื่องลมตัวเองไม่ให้ดีให้วิเศษหากเราที่นิพิ่เจนาหาทางํำระหาทางตัดเรื่องความคิดลุงนั่นนั้นให้เข้ามาสู่วงของการปฏิบัติศึกษาด้านจิตใจของตัว ศึกษาด่านธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติจริงจังผลที่เกิดขึ้นกวจะเห็นจะดีจะเด่นในตัวเองเพราะเรื่องคนที่ทำงานต่างๆภายนอกเขาไม่ใช่ทำเล่นกว่าจะเป็นการเป็นงานเป็นเงินเป็นทอง เป็นข้าเป็นของมาลำบากยากยุ่งไม่ใช่เล่นเล่นจะไปทําเล่นเล่นก็อดยากยากจนเพราะทําจริงยิงข่อยมีกินมีช้ายถ้าคนเจยดพลานไม่อดทานคนนั้นจะต้องอดยากดูตัวอย่างพวกชาวนาเขาทํานา ตื่นแตดึกฝนตกหรือแดดร้อนขนาดไหนก็ไม่กลัวทางนั้นตั้งหน้าตั้งตาไถหาดปักดำจนดึกดื่นค่ำมืดถึงคอยเลิกหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอยู่อย่างนั้นถึงเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเขาก็ตั้งใจทำ เพราะเขาเห็นว่าทำแล้วจะได้ผลแก่ตัวของเขาทาไมทำอย่างนั้นก็ไม่เสร็จในสิ้นทวาอดอยากจะตามมาีพวกชาวนาหรือเขาทำกันเราเคยเห็นแดบดบร้อนร้อนผ่านไปในที่ต่างๆในนี้ร่มนีมม้เงาอะไรใส่หมวกบางคนก็ไม่มีหมวก เกลียดาเกียกแห่งอยู่ในนั้นนี่ก็ทำทางโลกก็ทำกันขนาดนั้นไม่ใช่ทำเล่นๆกว่าจะตึ้นข้าวมาให้ใส่บาทรทั้พวกเราได้ครบได้ฉันไม่ใช่ของง่ายๆเป็นระยะเวลาหลายเดือนวกว่าจะตกดงออกผลให้ มีการทำสมาธิภาวนาการอบรมใจถ้าเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเอาจริงเอาจว่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการิโกคือไม่มีการมนุษย์ทุกคนที่ไหนมีความผิดไนนีข้อห้าม ในด้านมักผลจะต้องประพฤติได้ปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคนน่หากเราคิดอย่างนั้นตัวของเราเองก็ไม่เคยทำเสียหายด้านที่จะห้ามักผลทุกสิ่งทุกอย่างของเราไม่ว่ากายวายใจใจไม่เสียหายอะไร แต่ความตั้งใจเพื่อปฏิบัติของเรายังต่ำยังน้อยยังไม่สมควรต่อมรคผลมรคผลจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะตั้งหน้าตัางา้งตาทำจริงจังไม่ใช่ทำเล่นเมื่อสอนต้นได้อย่างนั้นรีบเร่งแต่ทำบําเพ็ญมีสติรักษา ทุกระยะเวลาไม่ปล่อยจิตใจให้ไหลไปในด่านกิเลสตัณหาถึงคช็ดกลุงก่เช็ดกลุงเรื่องอัดทามเพื่อจะแก้ไขขับไล่ความโง่ความชั่วของตัวนอกจากนั้นก็ให้สงบระ ง, งับในด้านสมาธิคือให้จิตมีกำลังที่จะ คิดปรุงต่อไปให้เป็นผลเป็นประโยชน์เนื่อผู้มีสติรักษาตัวอยู่อย่างนั้นไม่ว่าการขบการฉันการไปการ ม, มาจะเดินวินทบาทก็รักษาจิตของตัวจากวัดจิตตั้งไว้อย่างไรเข้าไปในหมู่บ้านไปถึงหมู่บ้านมันเถอะอีกครั้ง จากหมู่บ้านมาถึงวัดมันเป็นอย่างไรจิตใจยังอยู่ในอารมณ์สัญญาทางธรรมะหรือไม่หรือมันไหลไปสู่เรื่องอะไรตรวจ ส, สอบอยู่เสมอนี่คือผูกความปฏิบัติผูหวังผลแก่ตนองตนต้องสืบสอบต้องพิจิตรจะไดนาหาทางแกไ้ไขใจของตนไม่ วุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกอาศัยสติและลึอกอยู่อาศัยปัญญาแนะสอนเมื่อทุกคนฝึกฝนอบรมตัวอย่างนั้นจิตใจก็จะตั้งมัน่นจิตใจก็จะเกิดอุบายปัญญาเพราะการที่นิพพาณาทำยอมเกิดพลังของปัญญาขึ้นสามารถจะมี ความรู้ความเห็นอันหนึ่งอันใดึงเป็นทางแก้ไขกิเลสตัณหาให้ตกหุดหล่หลนออกไปไม่อย่างนั้นการบวชก็จะแกว่าบวชบวชเพจบวชง่ายใครบวชก็ได้แต่บวชใจบวชยากถ้ะเพจก็หาง่าย ะใจหายะหาเราอยากจะเป็นุ้ีิมีพระในใจคือมีความประเสริฐในใจก็จะต้องพยายามแกะไถ่ตามเหยียดล้านตามมากง่ายตามจิตปรุงภายนอกให้ตกออกไปจากตัวคือพยายามรักษาติ บังคับบัญชาตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอเดินจงกรมเราจะพิจารณาอะไรหรือจะบริกรรมอะไรก็ให้เอาใจใส่อย่าให้มันเผลอไปสู่ตัญญาอารมณ์อื่นถึงเผอก็ให้ตั้งใหม่ตลอดถึงการนอนก็ให้อยู่ในอารมณ์ของธรรมตรวจิตใจของตัวว่าก่อนจะหลับ แต่ทีนี้พิจารณาทำอะไรจิตใจหยาบละเอียดขนาดไหนตื่นมาก็ตรวจดูเหรู้ให้คล้อยใจอย่าไปติดตามเรื่องไหนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฝันเรื่องผนต่อไปนี่คือผู้ปฏิบัติด้านจิตใจที่จะเป็นไปเกี่ความสุขที่จะเป็นชักสมบูรณ์แบบดั่งถาหากเราทำเลอะแหละเล้วไหล เคยทำอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นแต่ความดีชั่วจิตถูกอะไรไม่กราบทางนั้นมันจะอยากคิดอะไรอยากกรุงอะไรจะวิ่งวุ่นขุนมัวอย่างไรปล่อยมันไปตามธรรมชาติหากเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เรื่องจิตใจต้องสอบทีนี้พิจารณาตัวเองสอนตัวเอง กำหนดตัวเองอยู่เรื่อยไปถ้าหากเราตั้งใจอย่างนั้นใจของพวกเราท่านที่เคยเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือไม่เคยทันเรื่องของมันพอมันคิดไปนานแล้วถึงคอยรู้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะหดตัวเข้ามามันจะทราบดีโดยไม่ต่องไป แต่อ่านอะไรเพราะพุทขึ้นเกิดขึ้นลงขึ้นภายในใจแต่จิจะต้องทันทันกับเหตุการณ์ทุกอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอะธรรมเป็นเรื่องของโลกยิ่งง่ายยิ่งสบายจิตจะต้องคิดอยู่ตั้งแต่วงของธรรมะ เผื่อละและเผื่อบําเพ็ญเท่านั้นส่วนเรื่องนอกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนี่คือเราฝึกตัวของเราฝึกได้ไม่เหลืยววิสัยถ้าฝึกไม่ได้เป็นไปไม่ได้คมสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นโมฆะนี่มันเป็นไปได้ครูอาจารย์เลียท่านผู้รู้ถางไปฝึกมาได้รับผลรับประโยชน์ จากการฝึกการอบรมการปฏิบัติท่องตนให้ทุกคนต่างหน้าต่างตาศึกษาต่างหน้าต่างตาภาวานาทำความเพียรเพราะความเพียรเท่านั้นจะเป็นหนทางที่ทำจิตทำใจให้สว่างสวัยข้นทุกทางอื่นไม่ใช่ทางที่จะ นำคุณงามความดีความสงบระงับมาให้เพราะทุกคนเคยคิดเคยปรุงเคยปล่อยโยงจิตใจไปตามอธยาสัยเป็นอย่างไรแต่แก่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ที่ปล่อยไปอย่างนั้นได้สาระประโยชน์ได้ลไผลอะไรประทับใจของตัวก็พ อ, พอจะทราบจากตัวของตัวได้ ว่าการปล่อยไปตามเรื่องกิเลสตัณหาตามอัธยาศัยโดยไมมีสติรักษาไม่มีปัญญาแนสอนใน่ควบคุมจิตใจของเราไม่เคยสงบไม่เคยระงับไม่เคยเกิดปัญญาสามารถที่จะขับไล่กิเลสตัณหามีแต่ติดข้องปรุงแต่งเถิดเพลินมัวเมาในเรื่องชั่วเรื่องโลก ไม่มีอะไรที่จะเกิดสลดทั้งเวทไม่มีอะไรที่จะเบื่อจะน่ายเรื่องเกิดตายต่อไปพอใจไม่เห็นโทษพอใจไม่มีธรรมดันั้นถึงต่างใจจะททำบำเพ็ญผากเพียรพยายามหักห้ามคามคิดรุงของตัว จี๋ชั่วจี๋เสียต่างๆปัดทิ้งปล่อยทิ้งพอเรามาปฏิบัติศาสอนตัวอย่างนั้นพิจารณาตัวอย่างนั้นทุกท่านที่ปฏิบัติจะรับผลคือความสงบสงัดหรือความพ้นใจจากทุกทชาวโลกตัางหลายก็ติดเขาคล้อง เป็นอั น, นิสงแก่ตัวข้องตัวไม่ใช่ทำให้คนอื่นทำให้ตัวเองการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเนี้ยควรสอนตัวเองควรปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปไหลไปเสียไปผู้ที่จะทำศาสนาให้เสื่อม เป็นภัยของศาสนาก็คือตัวของเราเองที่เชื่อไปตามกิเลสตัณหาถ้าหากตัวของตัวรักษาตัวของตัวไว้ในด้านศีลสมาธิปัญญาดานธรรมะของพระพุทธเจ้าศาสนาก็จะเจริญ ไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียทุกคนสีสนใจในด้านศาสนามุ่งมาหึงพาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึงสอนตนฝึกฝนตนอบรมตนให้ตั้งมั่นทำการจริงจังจะเห็นจะเป็นจากการกระทำบาเพ็ญไม่ใช่ ได้มาจากกำลับกำลางจำมาจากร่มปากของคนอื่นตัวของเราเห็นตัวของเราเป็นเยือกเย็นสงบปล่อยวางอย่างไรเข้าใจในตัวเองนี่การปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่นไม่ได้ไปดูที่อื่นเพราะกิเลสปันหามีอยู่ภายในธรรมะ ก็แก้กิเรดตันหาภายในทำจิตทำใจให้สงบระงับความสงสัยความเลี้ยวไหลความเพลิดเพินเรื่รรองของโลกมนุษย์ก็ไม่ผิดแปลกแต่ส่างอะไรกับสัตว์ <c oughs> ทำนองเดียวกันแต่ว่าเรามีสติมีปัญญาดีวิเศษกว่าเขานั่นเราสมมติตัวของเราต่างหาก ความจริงลาธาตันหาลูเวทนาสัญญาสัขงขารดินญาณเหมือนกันเขาอาจจะดีวิเศษกว่ามนุษย์เป็นบางสิ่งบางอย่างก็ได้คือจับบางประเทศมันบินได้และอดทนกว่ามนุษย์เป็นบางสิ่งบางอย่างเช่นพวกตื่นหรือพวก แย่ yeah, เป็นต้นอดอาหารได้เป็นหลายๆเดือนเขาอดได้นกก็บินได้ผิดกับมนุษย์ความจำเหรอเขาคอยจำได้รวงรัางของเขาการทำก็ไม่มีคนไปทำให้มันทำเองปัญญาขนาดธรรมดาสามัญแล้ว ยังมีกิเลสตัณหามันเหมือนกันกับสัตว์ธรรมดาไม่มีอะไรดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาสำหรับมนุษย์เราดังนั้นสิ่งที่ดีที่เด่นก็คือมนุษย์รู้จักผิดถูกชั่วดีสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติจิตใจให้สงบลางับดับกิเลสได้หากมนุษย์ไม่ฝึกตัว ให้ส ง, งบรลงงับดับชิเล็ตปล่อยไปไหลตามสัญญาอารมณ์เหมือนสัตว์มันก็เหมือนสัตว์ไม่มีอะไรดีดีวิเศษกว่าเขาแต่เราก็คือว่าเราดีกว่าเขาหรือด่านสติเดชด่านปัญญาต่างๆสัญญาความจำรวงจำลังของมันก็จำได้สั้นานความคิดตรุงต่างๆวิญญาณจำข่าสึก จำนิดมันก็จำได้เพราะตาหูมันมีมันเหมือนกันกับมนุษย์ทั่วไปแต่มันจะมารักษาศีลบำเพ็ญภาวนาทำกิเลสดันหาให้ตกให้สิ้นไปเหมือนมนุษย์ศัตด้โดยส่วนใหญ่มันไม่มีสัตวัวใดที่จะมาทำได้มนุษย์ ที่จะดีกว่าเขากว่าเพราะอาศัยพวกเร า, าเพื่อปฏิบัติให้ดีวิเศษให้จิตใจผีเคยเพ่นผ่านจิตอ่านในเรื่องสัญญาอารมณ์ภายนอกสงบระงับให้รู้ให้เห็นความเยือกเยน็นสงบของใจนี่เป็นทางดีวิเศษกว่าสัตว์ถ้าหากปฏิบัติไม่ได้มันก็เหมือนกันกันกบเขา เราเองล้มตัวของเราเองไม่ใช่คนอื่นมาล้มมาทำลายศาสนาถ้าหากจะพูดไปกว้างมันก็กว้างถ้าพูดเฉพาะก็คือตัวของเราเองว่าเราเข้าถึงศาสนาหรื อ, อยังเข้าถึง ยงังเบื้องต้นหรือทัานกลางหรือที่สุดให้ดูตัวของตัวเองศาสนามันเสื่อมหรือมันเจริญให้ดูจิตใจของตัวอย่าไปซื้อเอาวะค้าที่สุสามเนีมันมากศาสนาเจริญมีผู้ศรัทธาเลื่มใสทาบุญสุนทานมากศาสนาเจริญอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าจิตของเราวรรจงสํา จิตของเรายังเศร้าหมองจิตของเรายังพัวพันธ์เขาฝันไปในโลกอยู่เวลาเชื่อศาสนาเสื่อมศาสนาเสียถึงจะมีเทศประเสริฐเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนงก่าตามมันก็เสื่อมถั้าท้งเทศที่มีอยู่นี่แหละาเสื่อม้าจิตใจของเราจเจริญด้วยศีลด้วย จะมาที่โดยปัญญาโดยวิชาวิมุตตผู้คนประชาชนจะไม่มาเกี่ยวข้องมานับถือกราบไหว้บูชากอตางแต่เราก็รู้ก็เข้าใจว่าจิตใจของเรานั้นคิดกันกับยังไม่ได้ประพฤติยังไม่ได้ปฏิบัติจิตใจของเรามีความส ง, งบส ง, งัดมีความเจริญส้นโดยลำดับ ยังไม่พ้นทุกในว่าตาทงสามก็รู้แต่จิตใจจะใครคิดติดข้องในเรื่องสัญญาอารมณ์ภายนอกลูกเสียงกิ่นรถต่างๆมันไม่เป็นไปนี่จะคิดจะแก้ไขปรับป ร, รุงจิตใจให้รู้ยิ่งเย็นจริงในอัตธรรมจิ่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนมุ่งมั่น จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่คิดมกกลับไปสู่โลกอีกเราเห็นวามเจริญของจิตแต่ก่อนมันเคยคิดเคยปรุงเคยฟุ้งไปตามรูปเสียงเรื่องราวต่างๆต่อมาประพฤติปฏิบัติสติก้าปัญญาคมสามารถ ที่จะรักษาจิตตัดอารมณ์สัญญาสังขารที่ใส่จจิตคล่อง น, นั้นให้หมดออกไปเราเข้าใจในตัวของเราเองนี่คือค <c> ว <oughs> ามเห็นความเป็นของใจผู้บวชปฏิบัติเห็นศาสนาในตัวไม่ได้ไปเห็นอยู่ภายนอก มันเสื่อมมันจะเจริญอย่างไรเข้าใจในตัวเมือเ่อรักษาตัวของเราได้มีศาสนาประจําใจคนอื่นเขาจะไม่เลื่อมใสเขาไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของเขาเราเองไม่มีการเสียหายหรือเลื่อมไปตามลมปากของเขาเรารู้เราเข้าใจ ในความเป็นไปภายในนี่การปฏิบัติรู้เองเห็นเองอย่างนี้มีความสุขสนุกสบายเพราะจิตใจไม่ไปเกี่ยวข้องกังวลเรื่องนอกเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงในจริงต่างๆที่พระพุทธเจา้าหรืออริยเจ้าสันเห็น ถึงจะไม่รู้ไม่เข้าใจกว้างขวา ง, งทั่วโลกกว่าตามก็รู้เฉพาะในจิตในใจของตัวเพราะพิจรณาอาจทำด้วยสติด้วยปัญญา <c oughs> เข้าใจรู้เห็นจนจริงในตัวของตัวว่าสิ่นนั้นส่วนนั้นอันนั้น เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างอ น, นิจจังความแปรปวนแปรผันของธาตุขันธ์ตลอดที่จนานามาตั้งแต่ระยะเบื้องต้นจนกระทั่งปัจจุบันเห็นความแปรปวนเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์อยู่ทุกระยะทุก ทังจิตเคยเกี่ยวข้องกับธาตุันและจิตใจเป็นอย่างไรก็เข้าใจอีกเรื่องธาตุขันที่มีโรคภัยไ ข, ไขเ้เจ็บเดียดเดียนเกิเดทุกเรื่องจิตใจที่เกิดความฟุ่งเุงืโกรธเกลียดต่างๆดีบังคับ เป็นอย่างไรก็เข้าใจเห็นว่าทุกขังของกายไม่มีทางที่จะแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้แต่ทุกขังของใจเมื่อพิจนาะมีปัญญาเข้าใจจริงทุกนั้นจะต้องตอกไปไม่มีทุกในจิตในใจเพราะความรู้เท่าเข้าถึงเรื่องต่างๆ แก้ไขความโกรธเกลียดต่างๆรักต่างๆออกจากใจเพราะใจที่ลำเอียงไปตามเรื่องต่างๆนั้นนำทุกข์มาให้แก่ตัวของตัวไม่ใช่ใจที่มีอาจมีทาไม่ใช่ใจเป็นตาทีนี้ที่เจนาหาทางสอนตัวอยู่สม่ำเสมอ รักษาตัวให้สงบจากสัญญาอารมณ์ที่เป็นขาดสึกของใจใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนกอดท่างๆ ท, ที่ตายังมีหูยังมีจะหมูกลิ้นกายใจยังมีแต่จะไปติดไปขวองไปปรุงไปคิด ในสิ่งที่เป็นพิดเป็นไทยนำให้จิตใจเศ้าหมองเดือดร้อนวุ่นวายนั้นอาศัยธรรมะอาศัยปัญญาพิจรารณาใจเลยได้รับความสงบสงบัดพอตาเห็นก็มีปัญญาจิตใจแน่สอนด้วยจิตที่มีสมาธิความหนักแน่ คำารงรวมเป็นพื้นฐานเมื่อไปเห็นเข้า